วันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่ท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชนได้สละเวลาทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อเข้าวัดเพื่อมาเติมพลังเติมน้ำมันให้กับจิตใจจิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ ที่ต้องคอยแวะตามสถานีบริการเพื่อเติมน้ามันกันเพราะถ้าไม่ได้เติมน้ามันเดี๋ยววิ่งไปกลางทางถ้าน้ำมันหมดรถก็วิ่งต่อไปไม่ได้รถก็จะต้องจอดผู้โดยสารก็ต้องเดินแต่ถ้าคอยแวะจอดตามสถานีบริการอยู่เรื่อย ให้มีน้ำมันอยู่เต็มถังอยู่เรื่อยๆ ร, รถยนต์ก็จะพาเราไปไหนมาไหนตามที่เราต้องการจะไปได้ใจของพวกเราก็เหมือนกันใจของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จะพาเราไปไหนมาไหนกันถ้าเราไม่มีน้ำมันใจ เราก็จะไปไหนมาไหนไม่ได้ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรต่างๆแต่ถ้าเราคอยเติมน้ามันใจอยู่เรื่อยๆใจก็จะมีกำลังมีพลังที่จะทำอะไรต่างๆโดยเฉพาะ การทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะพาให้เราได้ไปสู่ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายขณะนี้พวกเรากำลังเดินทางรอบวงเวียนกันอยู่จะรู้หรือไม่ก็ตามแต่ใจของพวกเรานี้กำลัง เวียนว่ายตายเกิดในตายพบในวัฏสงสารในสังสารวัฏซึ่งเปรียบเหมือนกับวงเวียนที่รถยนต์วิ่งรอบกันแต่รถยนต์อย่างน้อยเขามีทางเขารู้ทางเขาไม่เวียนอยู่ในวงเวียนตลอดยี่บสี่ชั่วโมง เขาเข้าวงเวียนแล้วเขาก็หาถนนที่จะออกจากวงเวียนไปแต่พวกเรานี้คือจิตใจของพวกเรานี่กำลัง เ, เดินทางรอบวงเวียนอยู่โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะวงเวียนนี้เป็นวงเวียนที่ใหญ่จึงทำให้เราไม่รู้สึกว่าเรากำลัง อยู่ในวงกลมแต่ถ้ามีปัญญามีความสามารถที่จะวิเคราะห์เราก็จะเห็นว่าเรานี่กําลังติดอยู่ในวงเวียนแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราวิเคราะห์ไม่เป็นเราก็จะไม่รู้ว่าเรากาลังติดอยู่ในวงเวียน แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนานๆนจะมีคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าได้มาตัดสุลความจริงของดวงวิญญาณของจิตใจของพวกเราว่ากำลังติดอยู่ในวงเวียนของสังสารวัฏในวงเวียนของตายพบเราเวียนว่ายตายเกิดกัน อยู่ในใจภพนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานถ้าเราต้องการที่จะออกจากวงเวียนของใจภพนี้ใจของเรานี้จำเป็นที่จะต้องมีกำลังฝืนแรงที่คอยดึงให้ใจของเรามาเวียนว่ายตายเกิดกัน กำลังที่เดินให้ใจของเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันนี่คืออะไรก็คือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชานี้เองเป็นตัวที่คอยหลอกให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันด้วยความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจพบหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสโผฏฐัพพะ ในการมาพบห า, หาความสุขจากรูปประชานในรูปปภพและหาความสุขจากอารูปประชานในอรูปภพแต่เราหารู้ไหมว่าความสุขต่างๆที่หาได้ในใตรยภพนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงเพราะ สิ่งที่พาให้เราไปได้ความสุขในการมาพบนี้เป็นของชั่วคราวนั่นเองเรามาได้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะร่างกายของเราก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป พอตายไปดวงวิญญาณที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ต้องออกจากร่างกายที่ตายไปเพราะไม่สามารถใช้ร่างกายที่ตายไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพมาเศษได้ต่อไปก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่และช่วงที่หาร่างกายอันใหม่ ก็าอาจจะต้องหาความสุขจากาบุญหรือบาปที่ได้ทำเอาไวใ้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าได้ทำบาปไว้มากกว่าทำบุญก็ต้องไปรับผลบาปไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยบ้างเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวบ้าง เป็นดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตพยาบาทบ้างหรือถ้าไปได้ร่างกายก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี่คือผลของการกระทำบาปที่มีต่อดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญเวลาที่ไม่มีร่างกายดวงวิญญาณก็ต้องไปเป็นดวงวิญญาณ แบบใดแบบหนึ่งในอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนือสุรกายหรือไปนรกถ้าได้ทำบุญไว้มากกว่าทำบาปก็จะได้ไปเป็นเทพเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์หกชั้นด้วยกันแล้วพอบุญหรือบาปที่ได้ ทำไว้นั้นหมดกําลังเหมือนกับน้ามันที่หมดดวงวิญญาณก็จะมารับร่างกายอันใหม่ของมนุษย์แล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพภาพใหม่นี่แหละคือวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดของจิตของดวงวิญญาณที่ ติดค่ะติดรูปเสียงกลิน่นรสผดทพะที่คอยเสพรูปเสียงกลิน่นรสผดทพะเป็นอารมณ์ให้ความสุขกับตนมนุษย์บางคนก็อาจจะเบื่อกับการเสบรูปเสียงกลิน่นรสก็เปลี่ยนวิธีเสบรโดยการไปฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบทําใจให้ได้ รูปฌานหรือรูปอรูปฌานถ้าได้รูปฌปานดวงจิตดวงใจนั้นเวลาที่ร่างกายตายไปก็จะไปอยู่ในรูปภพคือไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมชั้นสวรรค์รูปภปพลมรูปภพมถ้าได้อรูปฌปานก็จะได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นอรูปภพลม แต่สวรรค์ทั้งสองชั้นก็เป็นของชั่วข้าวเหมือนกันพอบุญคือชาญที่ส่งให้จิตไปอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพหมดกำลังลง <c oughs> ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำหาความสุขแบบเดิมอีกคยหาความสุขจากการนั่งสมาธิก็จะมา เป็นนักบวชมานั่งสมาธิหาความสุขจากการเข้าฌานขั้นต่างๆถ้าเคยหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปจนกว่าร่างกายจะตายไปนี่แหละคือการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณของพวกเราทุกดวง นานๆจะมีคนฉลาดที่มาค้นพบความจริงอันนี้คือพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าดวงวิญญาณของพวกเรานี้กําลังหมุนเวียนอยู่ในวงเวียนแห่งสังสารวัฏวงเวียนของตายพบแต่มีทางออกจากวงเวียนนี้ได้มีทางที่จะพาให้เรานี้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้ มีทางที่จะพาให้เราออกจากแรงดึงดูดของสังสารวัฏนะการที่จะออกจากแรงดึงดูดของสังสารวัฏได้จิตใจหรือดวงวิญญาณต้องมีพลังมีกําลังมากถึงจะสามารถฝืนแรงดึงดูดของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้ถ้าอยากจะออกจากไปพบ เราจาเป็นที่จะต้องเติมพลังให้กับจิตใจให้จิตใจมีพลังเหมือนจรวดเวลาที่เราอยากจะส่งยาาอวกาศให้ออกไปสู่นอกโลกไม่ให้ตกกลับมาในโลกเราต้องมีจรวดที่มีพลังมากพลังขับเคลื่อนมากที่สามารถขับเคลื่อนยานอวากาศให้ ออกจากแรงดึงดูดของโลกได้พอพ้นจากแรงดึงดูดของโลกนี้แล้วยานอวากาศนั่นก็จะไม่กลับมาในโลกนี้อีกต่อไปเช่นยานอวากาศที่เขาส่งไปสำรวจดวงดาวต่างๆไปแล้วไม่กลับพนวะกนี้ไปมีกล้องติดไปแล้วก็ไปถ่ายภาพต่างๆ ของดวงดาวชนิดต่างๆส่งกลับมาแล้วต่อไปก็จะห่างไกลออกไปจนไม่สามารถที่จะติดต่อกับโลกนี้ได้ต้องมีจรวจที่มีกำลังมากกว่ า, าเครื่องบินไอพ่นเครื่องบินไอพ่นที่เรานั่งกันนี้มีพลังพอที่จะยกเครื่องให้ขึ้นอยู่เหนือฟ้าได้ แต่ยังไม่สามารถมีกำลังที่จะหลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกนี้ได้เราขึ้นเครื่องเดี๋ยวเครื่องก็ต้องจอดต้องจอดแวะเติมน้ำมันนั่นเองเพื่อที่เราจะได้เดินทางต่อไปได้แต่ถ้าเราขึ้นจรวดนี่จะไปแบบไม่ต้องกลับไปแล้วออกไปเลย ออกจากรัศมีแรงดึงดูดของโลกนี้แล้วก็จะไม่มีวันที่จะตกลงมาอีกต่อไปอ น, นี่ก็เหมือนกันดวงวิญญาณของพวกเราตอนนี้เป็นเหมือนยานอวากาศที่ติดอยู่กับแรงดึงดูดของไตรภพแรงดึงดูดของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชากิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลง ตัณหาก็คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลผลิตะความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ทุกข์ทรมานนี่คือความอยากเรียกว่าตัณหา โมหะก็คือความหลงความหลงที่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี่เป็นตัวเราเป็นของเราแลวคิดว่าจะอยู่กับเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอดแต่ความจริงแล้วสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราได้มาจากดินน้ำลมไฟ ของทุกอย่างในโลกนี้ผลิตมาจากดินน้ำลมไฟร่างกายของเราก็ผลิตมาจากดินน้ำลมไฟข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยเสื้อผ้าอาหารอะไรต่างๆก็มาจากดินน้ำลมไฟของพวกนี้เมื่อผลิตแล้วเดี๋ยวมันก็จะเสื่อมเดี๋ยวมันก็จะเสียเดียเยเด๋ยวมันก็จะสิ้นสุดลง ร่างกายของเราเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่เราไม่เห็นความจริงอันนี้เราคิดว่าเราจะอยู่ในโลกนี้กันไปเรื่อยๆจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่มันก็สิ้นสุดหลงนี่คือความหลงอวิชาก็คือความไม่รู้ว่าเราเป็นใครไม่รู้ว่าเราเป็นดวงจิตดวงวิญญาณ เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเพียงใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาเราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เท่านั้นแล้วทำให้เราต้องกลับมาเสพอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยเพราะการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นเหมือนยาเสพติดนั่นเอง เราต้องเสพถ้าขาดยาเสพติดแล้วเราจะรู้สึกทุกข์ทรมานใจก่อนที่ติดยาเสพติดนีน้แทบจะเลิกกันไม่ได้ต้องเสพอยู่เรื่อยๆพอเวลาไม่มีเสพก็จะทุกข์ทรมานใจนี่คือแรงดึงดูดจิตใจหรือดวงวิญญาณของพวกเราให้ติดอยู่ในวงเวียนของการ เปียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในไตรภพแต่ถ้าเรามีพลังมีจรวดถ้าเรามีพลังที่จะทำให้จิตใจเรานี้เป็นเหมือนจรวดพลังนี้จะสามารถที่จะผลักดันจิตใจของพวกเราให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของสังสารวัฏได้ ให้มีกำลังมากกว่าแรงดึงดูดของกิเลสตันหาโมหะอวิชชา kardeşim. อะไรที่จะทำให้ใจของเรามีพลังมากกว่าพลังของกิเลสตันหาโมหะอวิชชา łych. พลังที่จะทำให้จิตใจของเรามีพลังมากกว่าทำที่ทาให้จิตใจของเรามีพลังมากกว่านี้ก็มีอยู่ห้าส่วนด้วยกันห้าชนิด ที่จะมารวมกันมาทำให้เป็นพลังของจรวดที่จะสักดันจิตใจของเราให้หลุดออกจากกระแสะแรงดึงดูดของไตรภพได้ตอนนี้พวกเราไม่มีพลังกันพวกเรายังเป็นปุตุชนยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่แต่ถ้าเรามาเติมพลังให้กับจิตใจของพวกเรา จนมีพลังที่สามารถที่จะหลุดออกจากกระแสดึงดูดของไตพบพได้จิตใจของเราก็จะกลายเป็นอริยบุคคลขึ้นมาปุตุชนเป็นผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เหมือนเครื่องบินไอพ้นที่เราโดยสารเดินทางพาเราไปต่างประเทศเหนเครื่องบินชนิดต่างๆที่บินอยู่นี้ ไม่สามารถพาเราออกจากโลกนี้ไปได้กำลังของพวกเราที่เป็นปุถุชนนี้ก็เหมือนกันเป็นกำลังที่ไม่สามารถที่จะพาให้เราออกจากตายภพนี้ได้เพียงแต่พาให้เราเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเดินทางในตาพภพได้เหมือนเดินทางไปต่างประเทศจาก จากประเทศของมนุษย์ก็ไปเป็นประเทศของเทวดาบ้างไปประเทศของเดราชานบ้างไปประเทศของเปรตบ้างของพรมบ้างอันนี้คือพลังที่พวกเรามีกันในฐานะที่เป็นปุถุชนแต่เรายังไม่มีพลังที่จะทำให้เหล่านี้เป็นพระอาริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิดาคามี เป็นพระ อ, อนาคามีและเป็นพออนาาระอรหันต์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราปฏิบัติการ น, นี้เพื่อสอนให้พวกเรามาเติมพลังให้เป็นพลังของพระ อ, อริยบุคคลนะพลังของพระ อ, อริยบุคคล น, นี้ก็มีห้าส่วนด้วยกันองค์ประกอบห้าส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งเรียกว่าศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ส่วนที่สองเรียกว่าวิเดียคือความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขึ้นมาแล้วการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เพื่ออะไรก็เพื่อสร้าง อ, าองค์ประกอบของพลังจิตองที่สามก็คือสร้างสติ สร้างสติเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาให้จิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบเป็นอุเบกขาเพื่อที่จิตที่ตั้งมั่นความสงบในอุเบกขาจะได้เจริญปัญญาได้นี่องประกอบที่ห้าคือปัญญาองประกอบที่สี่คือสมาธิองประกอบที่สามคือสติองประกอบที่สอง คือวิริยะความขยันหมั่นเพียรองค์ประกอบที่หนึ่งคือศรัทธาในเบื้องต้นเราต้องมีองค์ประกอบอันที่หนึ่งก่อนมีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วและเป็นผู้ที่รู้จากวิธีที่จะทำให้ พวกเราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราจะได้เชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มร้อยจะไม่ลังเลสงสัยท่านบอกให้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปให้หมดอย่าเก็บเอาไว้ใช้ตามกำลังตามความอยากของกิเลสตัณหาโมหะวิชา เพราะการใช้เงินทองตามกําลังความอยากของกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชาเป็นการาลงทุนในการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่เป็นการสะสมภพชาติใหม่เพราะเป็นการสร้างกําลังให้กับกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชาที่จะดึงดูดจิตใจของพวกเราให้ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองะ ในเบื้องต้นท่านถึงสอนให้เราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราเอาไปใช้กับกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาแต่ส่วนที่เราต้องเก็บไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายของเราเลือกครอบครัวของเรานี้เก็บไว้ได้ใช้ได้อันนี้เป็นของจำเป็นเป็นเพราะเรายัางต้องมีร่างกาย ไว้เป็นเครื่องมือในการที่เราจะมาสร้างพลังให้กับจิตใจนั่นเองอย่างถ้าเราใช้เงินทองให้กับปัจจัยสี่เช่นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแต่ต้องใช้ด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ใช้ด้วยความโลภความอยากอยากใช้ของแพงๆนี้ก็เป็นความโลภความอยากอยากใช้ของหรูหราของสวยๆงามๆ อันนี้ก็เป็นกิเลสตัณหาต้องใช้ตามประโยชน์ของสิ่งที่เราใช้เพื่อให้มันทำประโยชน์ทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายของเราได้ก็พออาหารไม่จำเป็นจะต้องไปกินอาหารตามร้านหรูหรืหลาหลาโรงแรมหรูหราะกินข้างถนนมันก็อิ่มเหมือนกันมันก็ทำหน้าที่ของการเลี้ยงดูร่างกายได้เหมือนกัน นี่คือรู้จักต้องแยกแยะรู้จักว่าใช้เงินแบบไหนเป็นกิเลสตัณหาใช้เงินแบบไหนไม่เป็นกิเลสตัณหาสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะหลุดออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ต้องตัดสาพานที่เชื่อมใจให้กับกิเลสตัณหาโมอาวิชาออกไปตัดสัมพันธ์ําไมตีพูดง่ายๆ ไม่ยุ่งกับกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาเวลามันมาชวนให้เราไปหาของสวยๆงามๆของหรูหราของสนุกสนานของเพลิดเพลินต่างๆเราต้องตัดสัมพันธ์ทำไมตีไม่คบค้าสมาคมด้วยต้องปฏิเสธเวลามันมาชวนให้เราไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปหาแฟน ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเราต้องตัดสัมพันธรรน์สมัยตีอย่าเอาเงินไปใช้ตามความอยากเหล่านี้ถ้ามีมากไม่ได้ใช้อะไรอยากได้ความสุขก็เอาไปทาบุญทาทานสละเงินทองเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การทาบุญทาทานเป้าหมายอยู่ที่การสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง เพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระกับมันถ้ามีข้าวของเงินทองก็ยังต้องเป็นภาระกันอยู่ยังต้องผูกพันยังต้องคอยดูแลรักษามันอยู่มันก็จะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะไปสร้างพลังอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาคือไปสร้างศีล ส, สร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างสติขึ้นมานั่นเองอ น, นี่คือ เบื้องต้นเราต้องมีศรัทธาความเชื่ออย่าไปเสียดายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้มองให้เห็นว่ามันเป็นเหมือนโซ่หรือเป็นเหมือนที่อะไรของที่ตำรวจเขาใช้จับผู้รายนะมัดมือไว้ข้อมือเลยก็มีเวลาจะจับผู้ร้ายเขาก็มีไอ้ที่จับเป็นเหล็กนี่มาผูกข้อมือเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราใช้เงินตามความอยากต่าง มันก็จะผูกให้เราติดอยู่กับการมาพบติดอยู่กับการใช้เงินไปเรื่อยๆทุกครั้งเวลาที่รู้สึกชีวิตจืดชืดก็ต้องหาความสุขมาเติมไปเที่ยวกันสักพักดีไหมไปต่างประเทศกันสักอาทิตย์ดีไหมไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ดีไหมเติมชีวิตชีวาให้แต่มันก็เป็นการเติมของปลอมของหลอก มันก็สนุกสนานชั่วขณะที่ไปพอกลับมาก็จืดชืดเหมือนเดิมก็ต้องไปอีกก็ต้องไปอยู่เรื่อยๆจึงทำให้มันติดขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ไปก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความเหงาเกิดความว้าเหวขึ้นมาอย่าใช้เงินแบบนี้มันเป็นพิษเป็นภัยมันจะทำให้เราติดอยู่ในกามาพบกัน ให้สละด้วยการเอาไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นหรือให้ประโยชน์กับผู้ที่เขาไปทำประโยชน์ก็ได้ทำแทนเราเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนวัดว า, ารามนี่เป็นสถานที่ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกของเราให้อยู่สุขสบายเพิ่มขึ้นถ้าเรามีเงินเหลือใช้แทนที่จะไปใช้กับกิเลสตันหาโมอาวิชา เพื่อจะผูกให้เราติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดเราก็เอาไปใช้ด้วยการทำบุญแล้วการจะติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดก็จะลดน้อยลงจำนวนภพชาติที่เราจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะถูกตัดไปตามลำดับนะจนถึงขั้นที่เราสามารถสละไปหมดได้เลยเช่นบางคนไปบวชเนี่ย เวลาไปบวชนี่เขาไม่เอาอะไรไปเลยพระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ให้เอาอะไรติดตัวไปให้เอาไปได้เพียงสมบัติแปดชิ้นเท่านั้นเองที่เรียกว่าอัฐบริขารคืออะไรบาทหนึ่งใบไว้เลี้ยงชีพเลี้ยงอาหารเลี้ยงชีพจีวรสามผืนไว้เป็นเครื่องนุ่งหม่มเข็มขัดรัดเอวหนึ่งเส้นเป็นห้าชิ้น แล้วมีกรอนเอาไว้สําหรับปองผมปอ ง, ง, งหนวดเป็นชิ้นที่หกแล้วก็เข็มกลับได้ไว้สาหรับซ่อมปะจีวรเวลามันขาดเป็นสมบัติชิ้นที่เจ็ดและสมบัติชิ้นที่แปดก็คือที่กรองน้ำที่ตักน้ำขึ้นมาแล้วก็กรองตัวสัตว์ไปในตัวเพราะสมัยก่อนไม่มีน้ำประปาไม่มีน้ำขวดพระจะต้องไปตักน้าตามลาห้วยลาทาร ซึ่งอาจจะมีตัวสัตว์อยู่ในนั้นก็ต้องใช้ที่ตักที่จะกรองที่จะกันไม่ให้น้ำเอาตัวสัตว์ติดขึ้นมาด้วยนี่คือสมบัติที่ที่นักบวชจำเป็นจะต้องมีแปดชิ้นด้วยกันเรียกว่าอัฐถบริขารอัถถแปลว่าแปะบริข า, ธธาราคือเครื่องใช้ไม่สอยของพระภิกษุของนักบวชให้มีสมบัติเพียงเท่านี้ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการบริหารจัดการรักษาทรัพย์สมบัติต่างๆต้องการเอาเวลามาสร้างความเพียรกันพอขั้นที่หนึ่งพอมีศรัทธาอย่างแรงกล้าเห็นว่าทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ต้องไปเป็นนักบวชและอยู่แบบนักบวชเ ท, ท่านั้นถึงจะมีเวลาที่จะมาสร้างความเพียรได้อย่างเต็มร้อย ถึงจะสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ก็จำเป็นที่จะต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆสละครอบครัวสละอะไรที่มีทั้งหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับบ่วงที่จะผูกจิตใจดวงวิญญาณของพวกเราให้ติดอยู่ในไตรภพนี้เองถ้าอยากจะออกจากไตรภพนี้ต้องตัดบ่วงเหล่านี้ออกไป บ่วงที่ติดอยู่กับพ่อแม่บ่วงที่ติดอยู่กับสามีภรรยาบ่วงที่ติดอยู่กับบุตรทีดาบ่วงที่ติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบ่วงที่ติดอยู่กับฐานะต่างๆยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆเป็นเจ้าก็เป็นเจ้าไปบวชก็ต้องสละการเป็นเจ้าไป Watch. เวลาไปบวชนี่ท่านไม่ให้เอายศถาบรรดาศักดิ์ติดตัวไปด้วย ใครจะเอายศฐาบรรดาสักติดตัวไปด้วยบวชไม่ได้ทุกคนไปบวชนี้จะไปเป็นลูกของพระพุทธเจ้าใหม่แล้วก็จะมีฐานันดรตามลําดับพรรษาใครบวชก่อนก็เป็นพี่ใครบวชหลังก็เป็นน้องไปเกิดเป็นลูกของพระพุทธเจ้าจําห้ามไม่ให้เอาฐานันดรเดิมติดไปด้วยว่าว่าเป็นอธิบดีเป็นรัฐมนตรี มาบวชแล้วจะต้องอมีฐานะที่สูงกว่าพระที่เป็นคนธรรมดาสามัญพระที่ไม่มียศไม่มีตาแหน่งอันนี้ไม่มีในการบวชของทางพระพุทธศาสนาการบวชทางพุทธศาสนาที่แท้จริงนี่ต้องสละลาบยศสละเสริญสุขของตนไปให้หมดะจะในหลวงรัชการที่เก้าตอนที่ท่านบวชท่านก็สละ การเป็นในหลวงไปท่านก็ไปเป็นพระภิกษุธรรมดาทำภารกิจตามหน้าที่ของภิกษุที่จะต้องทำเช่นออกบิณฑบาตเป็นต้นอันนี้คือการไปบวชต้องตัดบ่วงต่างๆที่รัดใจอยู่ไม่ฉะนั้นแล้วมันจะออกจาก การเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ น, นั่นเองถ้ายังไม่ยึดติดว่าเราเป็นเจ้าชายเรายังเป็นเจ้าหญิงเรายังเป็นคุณหญิงเป็นคุณนายอยู่เรายังเป็นนายร้อยนายพลอยู่พูดถึงนายพลนี่ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังมีพลตำรวจท่านหนึ่งท่านมีลูกชายเรียนจบปริญญาโทรมาจากเมืองนอกอยากให้ลูกชายบวชกลับลงตามาหาบัว ไปอยู่กับหลวงตาก็ไปขออนุญาตหลวงตาท่านก็เมตตารับให้บวชอยู่แต่พอใกล้วันบวชมาขออนุญาตว่าจะขอให้มีคนรับใช้ลูกชายมาติดตามมาด้วยสักคนได้ไหมให้มาช่วยล้างบาช่วยล้างกุฏิช่วยล้างซ่วมช่วยกวาดถูกุฏิรับใช้พระได้ไหมหลวงตาบอกว่าถ้าจะเอาคนรับใช้มาก็อย่าเอาลูกมา ถ้าจะเอาลูกมาก็อยากคนรับใช้มาให้เลือกเอาอนะันละเหาโยมไม่เข้าใจคิดว่าการบวชนี้ยังสามารถเอาฐานะต่างๆมาได้ฐานะเป็นลูกนายพลติดตัวมาได้ไม่ใช่หรอกการบวชที่แท้จริงนี้เป็นการตัดบ่วงของจิตใจที่ลัดจิตใจให้ติดอยู่ในภพของการเวีนว่ายตายเกิดนี่ ก็ให้ตัดให้ตัดลาบยศสารเสนตัดความเป็นมหาเศรษฐีไปตัดความเป็นเจ้านายเจ้าชายเจ้าฟ้าเจ้าอะไรต่างๆไปตัดการเป็นอผู้ที่มีรางวัลดีเด่นต่างๆไปผมได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกผมต้องได้รับการพิจารณาพิเศษเวลามาบวชไม่มีทุกคนเวลามาบวชนี่มีฐานะเท่ากันหมดะ มีฐานะคือการเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญเท่ากันหมดนะยกตัวอย่างเรื่องนี้เรื่องการบวชเพื่อลบฐานานดอนนี้ในสมัยพุทธกาลหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ท่งตัดสรุแล้วก็ได้กลับไปโปรดพระราชบิดาและพระญ า, าตาิต่างๆที่ประหาที่ในวัง พอหลังจากทรงสแสดงทำบวดท่านเหล่านั้นก็มีเจ้าชายที่เป็นญาติพระพุทธเจ้าอยู่ห้ารูปด้วยกันเก่อนมีศรัทธาอยากจะบวชแล้วก็มีคนรับใช้ของเจ้าชายคือช่างตัดผมก็อยากจะขอบวชตามด้วยเมื่อมีดังนั้นเจ้าชายทั้งห้ารูปก็เลยมาปรึกษากันว่าเอใครจะบวชก่อนดีทุกคนก็มีมติว่าเราบวชเพื่อตัดขันเป็นเจ้าชาย ดัง น, นั้นเราจะให้ให้คนที่เป็นช่างตัดผมของเรานี้บวชก่อนเมื่อเวลาบวชแล้วเขาจะได้เป็นอาวุธโสกับเราเขาเป็นพี่เราแล้วทุกครั้งที่เราเจอเขาเราจะต้องกราบไหว้เขาอันนี่คือสมัยพุทธกาลท่านบวชกันอย่างนี้ท่านบวชเพื่อตัดการติดอยู่กับราบยศสารเสริญติดอยู่กับสิ่งต่างๆที่เคยติดอยู่ เพราะท่านเห็นโทษว่ามันจะพาให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองจึงต้องตัดไปให้หมดตัดราบยศสรแสนตัดความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสต่างๆใครกินอาหารแบบเจ้าชายก็มากินอาหารแบบขอทานเช้าก็ต้องหิ้วบาสพายบาทเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ยินดีตามมีตามเกิด จะได้อาหารอะไรมาก็กินไปตามมีตามเกิด น, นี่คือการที่เราจะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มันจะทำให้เราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเรายังทำไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีศรัทธาพอที่จะกล้าทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าอสอนให้ทำนั่นเองคือให้เราตัด ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปให้หมดเพื่อที่เราจะได้มีเวลาที่จะได้ไปเติมพลังของจิตใจต่อไป น, นั่นเองเพราะจิตใจของเรายังไม่มีกําลังที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพียงแต่ว่าขั้นต้นอาศัยกําลังของศรัทธาเป็นตัวนําถ้ามีศรัทธาอย่างแรงกล้าแล้วก็สามารถที่จะออกบวชได้ สามารถที่จะสละราสระสะดสละราบยศสละเสริญสุขทางตาหูจมูกวิ้นกายไปได้ไปอยู่แบบขอทานดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนพวกเราถ้ามีศรัทธาเราต้องดูพระพุทธเจ้าเราเป็นแบบฉบับพระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรท่านหลุดพ้นเพราะท่านสละราชสมบัติ ท่านตัดบ่วงที่ผูกใจของท่านไว้เห็นไหมคืนที่ท่านสละราชสมบัติก็เป็นคืนที่ท่านได้บ่วงใหม่ขึ้นมาเพิ่มอีกบ่วงเ ห, หมือนนั่นคือพระราชโอรสของท่านเนี่ยคืนนั้นมมหารเล็กมารายงานว่าพระมเหสีได้ฆอดพระราชโอรสแล้วพอได้ยินท่านก็ตัดคำว่าราหุนขึ้นมาราหุนแปลว่าบ่วงภาษาบาลี คำว่าลาหุนนี้เป็นภาษาบาลีลาเป็นไทยแปลว่าบ่วงพระองค์ทรงอุทานว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วราหุนเกิดขึ้นแล้วแต่มหาเล็กก็คิดว่าท่านตั้งชื่อให้ลูกว่าลาหุนก็เลยไปกราบทูลมาหสีว่าเอพระองค์ได้ทรงตั้งชื่อให้ลูกชายแล้วว่าชื่อราหุนก็เลยลูกชายก็เลยได้ชื่อราหุนมาตั้งแต่แบบนั้นแต่ความจรงิงพระองค์ทรง มีปัญญาเกิดขึ้นแล้วเห็นบ่วงปรากฏขึ้นมาแล้วเห็นบ่วงคือลูกเนี่ยใครมีลูกแล้วใครทิ้งลูกได้บ้างนักลูกห่วงลูกหวงลูกเนี่ยพอรู้ว่าถ้ามีลูกแล้วถ้าอยู่ต่อไปก็จะถูกบ่วงอันนี้รัดคอแน่แน่รัดจิตใจไว้อย่างแน่นอนพระองค์ก็เลยต้องสละราชสมบัติไปในคืนนั้นเลยแล้วต้องไปแบบไม่บอกใคร ถ้าบอกแล้วก็จะต้องถูกห้ามอย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะกล้าที่จะสละทรัพย์สมบัติต่างๆสละสะละราชสมบัติสละทระัพย์ลาบยศสละเสริญสุขไปกันกล้าจะคิดว่าบ้าก็ได้อย่างนั้นบอกใครไม่ได้ก็เลยต้องแอบไปในคืนนั้นเลยออกไปแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชเป็นขอทาน ระหว่างไปเดินทางไปไปพบขอทานขอทานเห็นใส่เสื้อผ้า ข, ของเจ้าชายก็อยากได้ขอเปลี่ยนเจ้าชายสิท ธ, ธัาน์ก็ดีใจว่าจะได้ได้เสื้อผ้า ข, ของขอทานอย่างสมความปรารถนาก็เย็นดีแลกเปลี่ยนให้ทันทีขอทานก็เลยได้เป็นเจ้าชายเจ้าชายก็เลยได้เป็นขอทานอย่างสมบณ์แบบแล้วก็ไปบวชเป็นนัก บ, บวช มีบริขารแปดเนี่ยอัฐบริขารหากินแบบขอทานเสื้อผ้าก็หาแบบขอทานผ้าก็ไปหาผ้าที่เจ้าทิ้งไว้ในป่าชาผ้าห่อศพเพราที่เวลาศพเน่าเปื่อยหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกก็เอาผ้าเก็บผ้าเหล่านี้มาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้าป่าความจริงเรียกว่าผ้าป่าช้า แต่เรามาตัดคำว่าช้าออกไปเพราะเราไม่ชอบป่าช้ากันคำว่าป่านี่ฟังแล้วยังพอรับได้แต่อวาถ้าถอยผ้าป่าช้านี่แหมไม่อยากจะถอยแต่คำว่าบางสกุลเนี่ยคาว่าบางสกุลผ้าบางสกุลก็คือผ้าห่อศพนี่ลองไปเปิดพจนานุกรมดูภาษาบาลีคำว่าผ้าบางสกุลนี้แปลว่าอะไรก็แปลว่าการเอาผ้ามาห่อศพนะ เรือกว่าผ้าบางสกุลเราก็เลยเรียกสั้นๆว่าผ้าป่าความจริงมันเป็นผ้าป่าช้าผ้าที่ทิ้งอยู่ในผ้าห่อศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้านักบวชสมัยนั้นเขาไปซื้อผ้าในป่าช้ากันไปหาผ้าในป่าช้ากันเพราะเขาไม่มีเงินที่จะไปซื้อผ้าตามร้านขายเสื้อผ้าต่างๆ แล้วยาโยมสมัยนั้นก็ไม่นิยมที่จะบอยจากผ้าให้กับนักบวชเพราะเห็นอาจจะเห็นว่านักบวชไปเก็บผ้าในป่าช้ามาใช้ก็เลยไม่มีใครคิดที่จะถวายผ้าป่าให้ผ้าให้กับนักบวชจนต้องถึงข่าวที่พระเจ้าเห็นว่าผ้าป่ามันหมดแล้วสมัยที่แรกๆนี้นักบวชยังมีน้อยอยู่ แต่ต่อมามีคนศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นก็มาขอบวชกันมากขึ้นมากขึ้นผ้าป่าในปรชาชญ์เลยขาดตลาดไม่พอใช้ผ้าก็มีผ้าเพียงผืนเดียวเวลาฝนตกเปียกก็ต้องห่มผ้าเปียกๆไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นความยากลําบากของพระว่าไม่มีผ้าเปลี่ยนเวลาเจอฝนฝนเปียก ก็เลยบอกญาติโยมว่าควรจะถวายผ้าให้กับพระไว้ใช้บ้างเพราะตอนนี้ผ้าขาดแคลนไม่มีผ้าในป่าช้าขาดตลาดขายหมดแล้วหาไม่ได้แล้วก็เลยบอกให้ถวายผ้าผ้าที่พระเจ้าบอกให้ถวายก็เรียกว่าผ้ากรถินนี่เอง หลังจากนั้นมาก็เลยมีการถวายผ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ถวายแทบทุกวันเลยทั้งๆ ท, ท, ที่คนเดียวก็ใส่ได้แค่ชุดเดียวชุดเดียวก็ใส่ได้ทั้งปีสองปีนี่มีผ้ามาถวายทุกวันทุกวันทุกวันแต่เมื่อก่อนไม่มีการถวายเพราะว่าพระอยู่กันแบบขอทานอยู่กันตามมีตามเกิดนั่นเองแต่ต่อมาพระมีจำนวนมากจน อยู่แบบขอทานจับเกี่ยวกับเรื่องผ้าไม่ได้ก็เลยต้องบอกให้ญาติโยมถวายแต่พระพุทธเจ้าก็ระวังไม่ให้ถวายมากใช่ไหมทำไมก็ถินเราถึงถวายแค่ปีละครั้งก็เพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เราถวายกันมากเกินไปเพราะมันจะทำให้ยุ่งกันกับการเรื่องการมารับผ้ากันแทนที่จะไปทำความเพลียน สร้างสติสมาธิปัญญาก็มันมาแต่นั่งมารับผ้ากันใช่ไหมแบบทุกวันในพระถ้าจะไม่มีเวลาไปปฏิบัติกันเลยแล้วญาติโยมคนนั้นก็มาถวายผ้าญาติโยมคนนี้ก็มาถวายสังฆทานมาถวายกันทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วพระจะเอาเวลาที่ไหนไปปฏิบัติอสติสมาธิปัญญากันพระพุทธเจ้าจึงเลยต้องห้ามว่า ถวายผ้ากะถิ่นได้ปีละครั้งเดียวก็พอเพราะผ้าผืนหนึ่งนี้ใช้ทั้งปีก็ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ไม่จำเป็นที่จะต้องถวายกันทุกวันทุกเดือนเนี่ยก็ะถิ่นจึงมีแค่ครั้งเดียวแต่เมื่อเมื่อท่านห้ามกะถินญาติโยมก็เลยมีทางออก เปลี่ยนเป็นผ้าป่าไปผ้าบางสกุลไปผ้าบางสกุลไม่ได้ห้ามเลยวะถวายได้ก็เลยมาถวายผ้าป่ากันผ้าบางสกุลเวลามีงานศพก็ให้พับในชักผ้ากันผ้าก็เลยเต็มวัดล้นวัดไปหมดแต่สติสมาธิปัญญาหายไปหมดเพราะไม่มีเวลาไปรับสติสมาธิปัญญากันงูแต่เวลามารับผ้าป่าผ้าบางสกุลกัน พระพุทธเจ้าเลยต้องห้ามถ้าท่านอยู่ต่อท่านคงจะต้องมาห้ามไม่ให้ถวายผ้าป่าผ้าอะไรกันอีกถวายได้ปีละครั้งก็พอพระจะได้มีเวลาที่จะได้ไปเติมน้ำมันชนิดอื่นนะพอมีศรัทธาแล้วท่านต่อไปก็ต้องไปทําความเพียรไปทําความเพียรสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเพราะนี่แหละคือตัวตัวพลังที่สาคัญ คือสติสมาธิปัญญาเนี่ยสามเกลอสามเพื่อนเนี่ยสามคู่ชีพเนี่ยสามคนนี้แหละคือตัวที่จะมาผลักดันเหมือนกับพลังของจรวดที่จะผลักดันให้จิตใจนี้หลุดออกจากกระแสดึงดูดของกิเลสตัณหาได้นะต้องมีสติต้องเพียรเจริญสติ ขั้นเบื้องต้นก่อนที่จะมาเจริญสติได้คือก็ต้องเนี่ยต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องมายุ่งกับลาบยศสรลรเสริญสุขเพื่อที่จะได้มีเวลาไปบวชไปรักษาศีลของนักบวชคือต้องไปบวชหรืออย่างน้อยถ้าเป็นคาะวะก็ต้องถือศีลแปดขึ้นไป ถ้ากาละวาถือสีน8แปดนี่ก็ถือว่าเป็นนักบวชได้แล้วเนี่ยคือสลัดการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆไปจะได้มีเวลาที่จะได้มาเจริญสติสมาธิและปัญญาตามลำดับต่อไปนั่นเอง เบื้องต้นต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองตัดบ่วงต่างๆที่รัดใจให้ติดอยู่กับลาบยศสารเสริญติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายออกไปแล้วก็มาเจริญสมาธิเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิแล้วก็จะได้ใช้สมาธิในการสนับสนุนในการสร้างปัญญาต่อไป พอได้ปัญญาแล้วทีนี้ก็จะสามารถตัดกระแสรแรงดึงดูดของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่ดึงดูดจิตใจให้ติดอยู่การเวียนว่ายตายเกิดในตาพบได้อย่างสมบูรณ์คือจะไม่ถูกกระแสของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาดึงดูดจิตใจให้กลับมา มารักมารอบมาชอบกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในไตายพบอีกต่อไปจะตัดความชอบในกาม ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆตัดความชอบในรูปประชานตัดความยินดีในอารูปประชานตัดความโลภความอยากในความสุขต่างๆเหล่านี้เพราะความสุขเหล่านี้ยังเป็นความสุขที่ชั่วคราวอยู่เป็นความสุขที่จะมีวันหมด และเวลามันหมดมันก็จะทำให้ใจเกิดความเศร้าเกิดความทุกข์ขึ้นมายังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ยังไม่หลุดพ้นจากความเศร้าและยังจะดิงใจให้กลับมาหาความสุขแบบนี้ต่อไปซึ่งเป็นเหมือนยาเสพติดผู้ที่ติดกมมามสุขก็จะกลับมาหากามสุขกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเสพกามกันผู้ที่ติดรูปปัานก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็กลับมา อยู่แบบนักบวชแล้วก็ไปหาความสุขจากรูปประชานผู้ที่ติดอรูปปัจานก็จะกลับมาหาอารูปปัจานพอตายไปก็จะไปอยู่ที่การมาพบถ้าเป็นผู้ที่ติดกรรมไปเป็นเทวดาถ้าทำบุญถ้าทำบาปก็ไปเป็นเปรตไปนรกไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำบุญก็ไปเป็นเทวดาถ้านั่งสมาธิเข้าฌานได้รูปปัจานก็ไปหลู่ประพบ ถ้าได้อารุปฌานก็ไปอรูปรภพก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่พอมีสติมีสมาธิมีํา ม, มีปัญญาที่เห็นว่าภพทั้งสามนี้ความสุขของภพทั้งสามนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเมื่อเวลามันไม่เที่ยงมันก็จะทำให้เกิดทุกขังขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมามันเป็นอนาัตตามันเป็นอย่างนี้มันเป็นของชั่วข่าว ห้ามไม่ให้มันทําให้มันถาวรไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตตาต้องเห็นไตรลักษณ์ในไตรของไตรพบถึงจะตัดกามมาพบได้ตัดรูปะพบได้ตัดอรูปะพบได้การจะตัดได้จิตใจต้องเป็นจิตใจที่นิ่งตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขาถึงจะมีกําลังที่จะฝืนความอยากได้ ถ้าใจไม่มีอุเบกขาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจจะดิ้นรนทันทีจะดิ้นรนหาสิ่งที่อยากได้ทันทีแล้วถ้าไม่ได้ก็จะเครียดจะทุกข์ขึ้นมาจนทนไม่ไหวจนต้องจนต้องหามาให้ได้ถ้าหามาไม่ได้ก็ต้องหาวิธีใหม่เช่นถ้าชาตินี้หาไม่ได้ก็ฆ่าตัวตาย ตายแล้วเดี๋ยวก็ไปเกิดใหม่เพื่อไปหาใหม่บางทีชาตินี้ร่างกายพิกลพิการไม่สามารถหาความสุขได้ก็เลยคิดฆ่าตัวตายกันการฆ่าตัวตายก็ต้องก็ไปสร้างบาปขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งการฆ่าคนอื่นก็บาปหนักแล้วฆ่าตัวเองยิ่งบาปหนักยิ่งกว่าฆ่าคนอื่นเนี่ยก็ต้องไปรับผลบาปก่อนกว่ากว่าที่จะไปได้รับร่างกายอันใหม่ เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัญญาถ้าไม่มีอุเบกขาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วนี่มันจะทุรนทุรายแต่ถ้าใจมีอุเบกขาใจสามารถควบคุมให้มันนิ่งให้มันสงบได้ด้วยสมาธิ เวลาเกิดความอยากก็เฉยกับความอยากได้พอปัญญาบอกว่าอยากไปทำตามความอยากก็ไม่ทำดัไม่ทาตามความอยากได้ถ้าทำไม่ทำตามความอยากไ ด, ไคกได้ความอยากที่เกิดขึ้นก็จะหมดกำลังลงต่อไปความอยากนั้นก็จะไม่กลับมารบกวนใจอีกต่อไปเหมือนคนที่เลิกบุหรี่ได้เลิกสุราได้ก็เพราะเขาฝืนความอยากที่จะสูบบุหรี่ได้ เวลาเกิดความอยากสูบ่หรีเขาก็อดทนอดกัน้นถ้าเขาฉลาดเขามีสมาธิเขาก็จะสามารถฝืนความอยากได้แล้วไม่ทุกข์ทรมานด้วยคนที่มีสมาธิเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจเริ่มทุรนทุลายก็ทําให้มันสงบเสียทําให้มันเป็นอุเบกขาเท่านั้นเองพอมันสงบเป็นอุเบกขามันก็ไม่ต้องไปทําตามความอยาก ต่อไปความอยากสูบบุหรี่มันก็จะหายไปความอยากดื่มสุรามันก็จะหายไปความอยากทุกชนิดจะหายไปหมดถ้าเราไม่ทำตามมันที่มันไม่หายมาจนถึงปัจจุบันนี้ <C> e <ars> เพราะเราเรายังทำตามมันอยู่คนที่สูบบุหรี่ที่ยังต้องสูบอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะยังทำตามความอยากสูบบุหรี่อยู่ <C> e <ars> คนที่ดื่มสุราก <colorful> ็เพราะว่ายังทาตามความอยากดื่มสุราอยู่นั่นเอง มันเลยต้องเดิมอยู่เรื่อยๆต้องสูบอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาไม่ได้สูบไม่ได้เดิมก็เล่นกันฮะเครียดกันหงุดหงิดลำคาญใจกันท mm hmm. ุกกันโดยโดยไม่รู้สึกตัวนีโดยคิดว่าการสูบบุหรี่เป็นสุขเนี่ยที่ไหนได้พอไม่มีบุหรี่สูบท่านั้นเนะ่ยมันถึงจะรู้ว่ามันความทุกข์เป็นยังไงคนที่ไม่สูบบุหรี่เขาไม่เห็นทุกข์เลยเวลาไม่มีบุหรี่สูบ แต่คนที่สุบุหรี่เวลาไม่มีบุหรี่สูบทำไมต้องทุกข์ด้วยก็เพราะว่าไปติดบุหรี่ซะแล้วนี่แหละ<น>คือปัญญาต้องเห็นว่าการไปติดอะไรการไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเรานี้มันจะทำให้เราติดแล้วมันจะทำให้เราทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เราหานี่มันต้องมีวันใดวันหนึ่งที่เราจะหาไม่ได้เช่นหาได้แต่อาจจะใช้มันไม่ได้ เช่นหมอบอกว่าถ้าสูบ ก, ก็ตายนะจะเป็นโรคมะเร็งในปอดนะเป็นโรคโรกปอดขึ้นมาถ้าถ้าฝืนสูบก็ต้องตายถ้าอยากจะไม่ตายอยากจะรากษาให้หายก็ต้องเลิกตอนนั้นก็บางทีก็เลิกไม่ได้เพราะว่าเวลาไม่ได้สูบมันทรมานยิ่งกว่าเวลาจะตายันเลนคิดว่ายอมตายดีกว่ายอมอด นี่แะคือฤทธิษของการติดรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆที่เรียกว่าทุกขังเนี่ยมันทุกแบบนี้แต่เวลาเราเสพล้วบอกโอ้ยสุขแล้วเกินได้สูบบุหรี่โอ้ยสุขลได้ดื่มสุราสุขแล้วเกินเฮฮาใช้ไชมใโยกันไหมยกแก้วเทกันชนกันใจโยโหร้องกันแต่เวลาช่วงที่ไม่มีสุราดื่มมันเป็นยังไง งดหงิดลำคาญใจกันจะลงแดงกันนะ <c oughs> นี่คือปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเสพเราติดนี่มันทำให้เราทุกเวลาที่มันไม่มีหรือเวลาที่เราเสพมันไม่ได้ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราจะได้ฝืนความอยากเสียเลิกเสียอย่าไปเสพมันอย่าไปเสพลาบยศจระเสริญอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นนสด อย่าไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพสิ่งต่างๆให้มาอยู่เฉยๆให้มานั่งสมาธิทําใจให้สงบดีกว่าให้มาเสพความสงบดีกว่าให้มาเสพความนิ่งสงบของใจเราก็จะเลิกการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้แล้วพอเราเลิกได้เราก็มาเลิกเสพความสงบเพาะความสงบนี้มันก็ยังไม่เที่ยงอยู่เหมือนกันรูปประชานก็ไม่เที่ยงความสงบ ความสงบของรูปประชานก็ไม่เที่ยงความสงบของอารูปประชานก็ไม่เที่ยงแต่เบื้องต้นเราต้องอาศัยความสงบของรูปปัจานมามาเลิกการ ม, มาการ ม, มาสุขก่อนมาเลิกการติดการเสพการก่อนพอเลิกการได้เราก็จะมาติด กับรูปประชานเราก็ต้องเลิกกับรูปปานหรืออารูปปัจจานด้วยใชย้ด้วยการใช้ไตลักษณ์นี่แหละเป็นสอนใจว่าไ ม, ไม่สงบก็ไม่เป็นไรอยู่กับความไม่สงบไปดีกว่าการไปติดความสงบเนะถ้าจิตมันไม่สงบก็อยู่กับความไม่สงบไปมันสงบก็ให้มันสงบไปแต่เราไม่ต้องไปติดมันเพราะถ้าติดความสงบเวลามันไม่สงบมันก็จะทาให้เราทุกข์ทำให้เราเศร้า พอถึงขั้นนั้นเราก็ต้องสละรูปประชานสละอารูปประชานไปเราถึงจะหลุดออกจากไปพบได้เพราะถ้ายังติดรูปประชานก็ยังติดอยู่ในรูปภพอยู่ถ้าติดอยู่ในอารูปประชานก็ยังติดอยู่ในอารูปภพอยู่พอถึงขั้นนั้นแล้วเราก็ต้องสละละรูปประชานละอารูปปัจานเหมือนกับตอนที่เราละกามรูปเสียงกลิ่นรสความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส แต่ขั้นตอนที่เราใช้ตอนที่เราจะเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นลดได้เราต้องอาศัยความสุขของรูปประชานมาเป็นมาเป็นเครื่องให้กาลังใจเราก่อนแต่พอเราเลิกได้แล้วทีนี้เราก็ใช้ปัญญาลร ว, วนได้เลิกเสพรูปประชานเลิกเสพรูปประชานได้เพราะเราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นอนิจจทุกขังและนักตาเหมือนกัน พอเราเลิอกอยากความอยากเสพรูปประชานใะนรูปประชานได้จิตเราก็จะหลุดออกใจอากตายพบได้อย่างสมบูรณ์ถ้าเลิกรามกามกามมาสุขได้ก็หลุดออกจากกามมาพบได้แต่อย่างไปติดอยู่ในรูปภพกับรูปภพคือพระอนาคามีนี้พระอนาคามีนี้ท่านเลิกเสพกามได้เลิกเสพรูปเสียงจิ่นลดได้เลิกเสพ เลิกมีแฟนได้แต่ถ้ายังท่านยังไปติดรูปประชานใะนรูปประชานอยู่ท่านยังไปติดอยู่ในรูปภพอรูปภพแต่พอท่านใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่ารูปภพหรือรูปภพนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตายแล้วท่านก็เลยไม่เสกมันนอยู่ไม่เข้าฌานไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้อยู่แบบสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ยินดีตามมีตามเกิดนะ พอยินดีตามมีตามเกิดได้ความอยากที่จะเสพรูปฌานก็หายไปความอยากจะเสปรูปฌานก็หายไปการติดในรูปภพกับอารูปภพก็หมดไปเจ็ดก็หลุดออกจากไปพบได้อย่างสมบูรณ์ได้ไปถึงพระนิพพานด้วยกําลังของน้ํามันที่พระพุทธเจ้าให้ให้พวกเรามาเติมกันนั่นเองเบื่องต้นให้เติมศรัทธาความเชื่อ ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าจะพาเราไปสู่การหลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พอมีศรัทธาแล้วเราก็จะมีกำลังมีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสัง่งคำสอนคำสอนก็คือให้เรามาเจริญสติให้มาสติสมาธิปัญญากันเราก็จะพุ่งไปที่การสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญากัน พเราได้สติสมาธิปัญญาเต็นร้อยแล้วเติม น, น้ำมันเต็ถังแล้วจรวดก็พร้อมที่จะออกเดินทางจากโลกนี้ไปเห็นไหมเวลาที่เขาจะส่งจรวดออกไปนอกโลกนี้เขาต้องเติม น, น้ำมันก่อนในช่วงที่รอให้จรวดออกนี้เขากำลังเติม น, น้ำมันกันพอเติม น, น้ำมันเต็มถังแล้วก็เริ่มสั่งให้ติดเครื่องได้ พ อ, อติดเครื่องได้ปั๊บจรวยก็เริ่มทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไปส่งยานาวกาศให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกนี้ไปน้ำมันที่จะพาส่งให้จิตใจหรือดวงวิญญาณของพวกเรานี้ให้หลุดออกจากไปพบไปก็คือศรัทธาสติสมาธิปัญญาและความเพียรศรัทธา ความเพี่ยนคือวิริยะศรัท ธ, ธาคือความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงค์วิริยะคือความขยันหมั่นเปี่ยนที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนที่จะเพียนสร้างสติเพียนสร้างสมาธิคือความตั้งมั่นความสงบความเป็นอุเบกขาของจิตแล้วก็เพียนสร้างปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์ในของตะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในไตรภพนี้เป็นเป็นไตรลักษณ์หมนเป็นอนิจจทุกขังอนัตตามหมด ก็จะสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้เมื่อหยุดได้ก็ไม่ต้องกลับมาเรียนว่ายตายเกิดติดต่อไปนี่คือวันพระวันที่เรามาเติมน้ำมันกันวันนี้ท่านก็ได้เรียนรู้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องไปเติมกันตอนนี้ยังไม่ได้เติมนะเพียงแต่เรียนรู้วิธีที่จะเติมขั้นต่อไปก็ต้องไปปฏิบัติ ไปอยู่คนเดียวไปถือสินแปดสินสิบสินสองรอยีิบเจ็ดแล้วก็ไปเจริญสติสมาธิปัญญาตามกำลังต่อไปการแสดงสำหรับปับันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริโุเรนติ สาขาลังเอวเมว a อิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเมวะสมิจจโทสพเเพปเรนตุส a งกปะย n นโทปนะราโสยะธาณิโชติ อาระโสยะธาสัพพิตโยวิวัชานโตสัพพะโรโววินาศตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีติขายุโกภวะภิวาธนาสีฤทธานิจังวุฒาปจายโนยะตาโรธรรมาวัฏานติ าุวันสาาช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วก็จะขออนุญาตงดถามเพราะต้องทำภารกิจอย่างอื่นต่อไป วันนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้า น, นมีเท่าไหร่เจ้าค่ะทางเฟ c e b o o ห้าร้อยสี่ย294สองร้อยเก้าสิบสี่วิดีออนไลน์สิบแปดรับฟังบนเขาแปดสิบสี่รวมทั้งหมดเก้าร้อยท่านเจ้าค่ะมีคำถามเลยเดี๋ยวช่วยส่งมไปให้ทางทางนี้หน่อย ครับกล่าวเรียนถามอาจารย์ครับ <c oughs> ปกติแล้วเวลาเวลากำหนดสติทํางานในชีวิตประจําวันนะครับเมื่อเวลาทํางานเสร็จแล้วเนี่ยออ่มันก็จะเข้าสู่เวลาพักพอพักแล้วจิต ก, ก็จะชอบไปพักอยู่กับรูปเสียงกินรสเพราะว่าคิดว่ามันคือความสุขครับแต่ว่าพอยิ่งพักไปมันก็ยิ่งไปกับสิ่งเหล่านะั้นแล้วมันรู้สึกว่ามันต้องขนขวายิ่งเรื่อยๆ ก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่วิธีการพักก็เลยจะมาขอากับถามอาจารย์ว่าเวลาที่จะพักจากการทำงานจริงๆเนี่ยเราควรที่จะพักอยู่กับวิธีใดบ้างครับก็อยู่กับธรรมสฟังเทศฟังธรรมไปหรือว่านั่งสมาธิไปหรือว่าเดินจงกรมไปพยายามเจริญสติพุโทโธพุธโทโธคอยควบคุมความคิดหยุดความคิด ลบความคิดออกไปจากใจพุทโธนี้เป็นเหมือนกับที่เราใช้ลบกระดานดำเวลาครูบาอาจารย์สอนต้องเขียนหนั ง, นงสือบนกระดานดำพอสอนเสร็จก็ลบมันให้กระดานดำมันว่างใจของเราก็เป็นเหมือนกระดานดำที่ชอบคิดเลื่อยเปื่อยคิดแล้วก็หิวแล้วก็อยากถ้าเรามีพุทโธคอยลบความคิด ความหิวความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะน้อยลงมันก็จะทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปพักผ่อนด้วยการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสนีกแล้เวลามีเวลาว่างก็พยายามเจริญสติพุโทโธพุธโธเดินอยู่ในเรียบทไหนก็จเจริญได้พุโทโธแล้วถ้านั่งสมาธิใดก็นั่งไป ถ้านั่งไม่ได้ก็เปิดธรรมะฟังไปหรืออ่านหนังสือธรรมะไปทำอะไรเหล่านี้แล้วมันจะช่วยลดการที่เราจะต้องไม่เพิ่งความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดลงได้ต่อไปเราก็เลิกได้เราใช้ธรรมะเป็นที่เพึ่งแทนก็ลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเราได้ความสุขจากการปฏิบัติธรรมการ ศึกษาธรรมนี้มันเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการเสกรูปเสียงก ล, ลิ่นรสเราเวลานั่งสมาธิบางทีจะมีอาการเหมือนจะงีบหลับอยงก็ลุกขึ้นมาเดินแทนไม่ควรงีบไม่ควรลุกขึ้นมาเดินถ้าที่มันแคบมันสั้นก็เดินเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหมุนกลับ เดินไปสักสิบเก้าแล้วก็เดินถอยหลังสิบเก้าเวลาเต้นรำมันยังเดินข้างหน้าเดินหลังได้นะวะทำไมเวลาเดินทุงกอกเนี่ยเดินหน้าถอยหลังไม่ได้ใช่ไหมแล้วเดินแบบเดินเต้นรำก็ได้คืออย่านั่งนั<__่งแล้วมันหลับแต่ถ้าเดินแล้วมันจะไม่หลับเพราะมันจะต้องมีสติในการเดิน แต่อย่าเดินแบบฟุง้งซ่านอย่าเดินแบบไม่ไม่ควบคุมความคิด ต, ต้องควบคุมเดินแล้วต้องพุทธโธไปหรือคอยเฝ้าดูเท้าที่เราเดินอย่าได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือพุทธโธพุโทโธไปแล้วใจเราจะมีสติแล้วจะไม่ง่วงพอเราเดินเมื่อยแล้วเราก็ลงมานั่งใหม่ได้ก็จะไม่หลับถ้าหลับก็ลุกขึ้นมาใหม่ อย่านั่งหลับเพราะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วมันจะเสียนิสัยมันจะคิดว่านั่งสมาธิแต่ความจริงเป็นการนั่งหลับไม่ได้ประโยชน์อีกข้อนะครับ <c oughs> กรรมฐานสี่สิบหพระอาจารย์คือ <c oughs> ผมสงสัยว่ามันเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาด้วยหรือเปล่าบางอย่างเป็นสมถะบางอย่างเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนา <c oughs> เช่นอะไรเป็นวิปัสสนาด้วยสมถะด้วย ก็คือการพิจารณาร่างกายอาการสามสิบสองการเป็นทั้งสมรถะคือทาให้ใจเราไม่ไปคิดเรื่องเราฟุ้งซ่านสองเป็นปัญญาเพราะเราจะได้รู้จักร่างกายของเราว่าประกอบขึ้นมาด้วยอะไรนอกจากสิ่งที่เราเห็นภายนอกแล้วยังมีสิ่งภายในที่เรามองไม่เห็นกันเช่นกระดูกอวัยวะต่างๆหัวใจตับปอดลำไส้นี่มันถ้าเรา ใช้อาการสารสิบสองเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเราก็จะได้ทั้งสองอย่างในพิจารณาอสุภะไปในตัวด้วยได้เห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายก็จะช่วยตัดกรรมะตันหาลงได้แล้วก็ได้ความสงบพุทโธในการนั่งสมาธิเราก็ท่องอาการสารที่สองแทนท่องพุทโธก็ได้ เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผือไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำโมกน้ำไข่ข้อน้ำมูดเนี่ยน้ำสิบสองอาการ ตอนต้นหัดท่องชื่อมันไปก่อนพอ จ, จำชื่อได้แล้วก็มานึกถึงว่าการต่างๆว่ามันมีรูปร่างลักษณะยังไงผมมันเป็นยังไงอยู่ตรงไหนขนมันเป็นยังไงอยู่ตรงไหนเล็บมันเป็นยังไงฟันมันเป็นยังไงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นวิปัสสนาไปสมถะด้วยทั้งสองอย่างบางอย่างก็เป็นอย่างเดียวถ้าพุทธโธนี้เป็นสมถะอย่างเดียวไม่มีปัญญา โลอย่างเมตเวลาเจริญเมตตานี่าครับออันนี้ไว้สําหรับแก้เวลาที่เรามีความโกรธแค้นโกรธเคืองไปมีปัญหากับใครมีเรื่องมีราวกับใครก็ให้มาเจริญเมตตาภาวนาครับํนะอันนี้เป็นกรรมฐานเฉพาะกิจเหมือนกับเวลาปวดหัวก็ต้องกินยาแก้ปวดหัวเวลาปวดท้องก็ใช้ยาแก้ปวดท้องถ้าไม่ปวดหัวไม่ปวดท้องก็ไม่ต้องใช้สองอย่างนี้ใช้พุทโธมันจะเหมาะกว่าเพราะเป็น เป็นอารมณ์ที่จะทำให้เราได้สมถะได้ได้ฌานได้สมาธิถ้าใช้เมตตาภาวนามันจะช่วยระงับดับความโกรธความแค้นแต่มันจะไม่ให้เราได้เข้าไปในสมาธิได้ต้องเพ่งอยู่กับอาการใดอาการหนึ่งเพราะว่าบางทีเวลาจะเจริญเมตตามันเจริญไม่ได้ครับเลยต้องกาหนดลมหายใจก่อนถึงจะค่อยเริ่มรู้สึกจะเมตตาได้ไงครับ ก็เราต้องฝึกก่อนไงต้องฝึกเมตตาตอนที่เรายังไม่โกรธถ้าตอนที่โกรธแล้วถ้าไม่ได้ฝึกมันไม่มาแต่ถ้าฝึกแล้วมันจะมาเหมือนนักเรียนถ้าทาการบ้านไว้ก่อนเวลาเข้าห้องสอบก็จะตอบคำถามได้แต่ไม่ทําการบ้านไว้ก่อนเวลาเข้าหองสอบก็สอบตกเราต้องหัดแผ่เมตตาตั้งแต่เรายังไม่โกรธ เสั้นตอนนี้เราก็พยายามท่องไปก่อนว่าการแผ่เมตตาต้องทําอย่างไรบ้างต้องให้อภยัยอไม่จองเวรกันไม่เบียดเบียนกัน <c oughs> ไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันให้ความสุขต่อกันเนี่ยเี่ราลองหัดคิดและหัดทําไปด้วยต้องทํําทาไปด้วยมีโอกาสพบปะใครนี่รีบแผ่เมตตาเลยอย่างน้อยก็ให้ความสุขกับเขาด้วยการส่งยิ้มให้เขาก่อนนะ สวัสดีครับยกมือไหว้ทักทายอย่างนี้เขาก็มีความสุขจากการที่กระทำของเราแล้วไม่ใช่เจอกันก็ยากเคี้ยวใส่กันอะด่ากันว่ากันอลยน้องๆเลยครับ อ, อีกคอนะคราจารยมหาสติกับสตินี่คือแตกต่างกันก็มันเด็กกับผู้ใหญ่สติของพวกเรานี้เป็นพวกสติของเด็กน้มลุกคุก ค, คาบางทีก็มีบางทีก็ไม่มี แต่มาหาสตินี้มีตลอดเวลาถ้าจะไม่มีเวลาไหนที่ไม่มีสติเลยเรื่องขมาหาสติ<ม>อาจจะมีหนึ่งเปอร์เซนอาจจะพังเผอบ้างแต่เก้าส<ม>ิบเก้าเปอร์เซ็นตนี้จะมีสติอยู่ตลอดเวลาก็ค<ม>ือจะเป็นมหาสติได<ม>้ก็ต้องเจริญสติให้ได้นั่น<ม>แหละก็จากอินทรีย์ไปเป็นพระห้างสติอินทรีย์สติที่อยู่ในอินทรีย์นี้ก็เป็นสติของปุถุชน แต่พอจเจริญมากๆ ม, มันก็จะกลายเป็นสติของพระอริยบุคคลไปเมืนจะมีอย่างต่อเนื่องเป็นสัมปชัญญะไม่มีการเผลอไม่มีการลืมตาสาการฝึกอยู่บ่อยๆฝึกบ่อยๆแล้วมันก็จะชํานาญขึ้นไปเองเหมือนอะไรต่างๆที่เราทำนี่ถ้าเราทำบ่อยๆเราจะชนานาญแต่ถ้าเราไม่ทำนานๆมาททำทีมันจะรู้สึกก็เขินคด ขัดตรงนั้นขัดตรงนี้เพราะมันไม่ชำนาญแต่ถ้าทำบ่อยๆมันไหลลื่นไปเลยนั่นแหะอาศัยการฝึกอาศัยวิริยะความภาคเพียรที่จะทำให้ธรรมต่างๆนี้เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาครับขอ้ขอสุดท้ายครับอาจารย์คนที่เป็น มีคนจริตหรือว่าเป็นบ้าอย่างเงี้ยครับคือไม่มีสติไก็เลยคนเสียสติ <laughs> ไม่ได้เกี่ยวกับสมองหรือระบบประสาทไม่ไม่สมองไม่มีอะไรสมองรอรับคําสั่งจากจิตอีกทีหนึง่งสติเป็นตัวที่ควบคุมความคิดนถ้าไม่มีสติมันก็คิดเพ้อเจ้อคิดเรือเ่อยเปื่อยคิดจกนกระทั่งเป็นบ้าไปไม่คิดแบบไม่มีเหตุมีผลคิดว่าเป็นเทวดาขึ้นมายแล้วก็เชื่อว่าตนเองเป็นเทวดาขึ้นมาก็เป็นบ้าแล้วนะอืครับ หมดแล้วครับอาจารย์ออโอเคอาจารย์ครับบางครั้งอย่างเราท่องวุโทโธในใจแน้วมันไม่สงบก็เลยเหมือนกับออกเป็นเสียงบเบาๆมันได้ออกเสียงก่อนก็ได้เพราะบางทีใจเราไม่มีกำลังพอต้องบังคับให้มันออกเสียงด้วยมันถึงจะ ใจจะได้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราสวดได้ก็คนที่สวดมนต์เริ่มต้นเขาก็หัดสวดออกเสียงไปก่อนพอเขาสวดได้มีสติพอแล้วก็อาจจะสวดไปในภายในใจก็ได้ไม่ต้องออกเสียงก็ได้เริ่มต้นถ้าอยู่กับพุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนอัจครับแล้วเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าการฆ่าตัวตายนี่บาปมากกว่า การฆ่าคนอื่นนี่เหตุผลเพราะว่าตัวเรานี่เรารักตัวเราเองมากกว่ารักคนอื่นเนีาะงั้นการที่เราฆ่าตัวเราได้นี่แสดงว่าเราหลงมากความหลงนี้มันก็จะทําให้เราทุกข์มากฆ่าคนอื่นไม่มทุกข์กับฆ่าคนที่เรารักใช่ไหมเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่กับฆ่าคนอื่นนี่มันต่างกันนะความทุกข์มันต่างกัน ค่าตัวเราก็เท่าเท่ากับค่าพ่อฆ่าแม่พ่อเราก็รักตัวเราเท่ากับเรารักพ่อรักแม่มันก็เลยเป็นบาปที่หนักกว่าที่ไปฆ่าคนอื่นหมดคำถามแล้วครับโอเคเดี๋ยวนี่ท่านผู้อยู่ข้างหลังมีคนกราบมรสการกับพระอาจารย์ก็คือปกติในชีวิตประจําวันนะคะก็จะอะสวดมนต์แล้วก็ รักษาศีลห้าสวดมนต์แล้วก็จะนั่งสมาธิรออีกประมาณสิบ5ิบห้านาทีหลังจากที่สวดมนต์แล้วนะคะในชีวิตประจำวันแล้วก็ยมจะเป็นคนที่ไม่ดูทีวีค่ะก็แล้วก็จะทุกวันนี้คือจะฟังเทศนะคะฟังธรรมตามเ b o o k Youtube แล้วก็อ่านธรรมะะคะในเป็นอย่างนี้เป็นปกติมาประมาณสามปีแล้วแต่ว่าการนั่งสมาธิเนื่องจากว่าเรายังทำงานทางโลกก็คือมันจะไม่ คือนังสมาธิเราจะจะไม่ค่อยสงบถึงใช้าการสวดมนต์แทนแล้วก็ในชีวิตประจำวันก็จะเจอปัญหาสิ่งที่มากระทบมาทําไม่ว่าจะเป็นการทํางานเพื่อนร่วมงานหรือว่าในชีวิตประจําวันที่เราต้องอติดต่อกับบุคคลทั่วไปแล้วก็เวลาเกิด ป, ปัญหาขึ้นมาแล้วนี่คือของโยมไปใช้วิธีการถือว่ามีใครมาทําให้เรารู้สึกกระทบและไม่พอใจนะคะจะมีสติตรงที่ว่าคือธรรมะที่เราเคยฟังมาแล้วเนี่ยค่ะจะขึ้นมาสอนเลยว่าเอออย่าทำหยุดทุกคน อไม่มีใครที่เรียกว่าสมบูรณ์หรือว่าทําให้ถูกใจเราแล้วก็จะ ค, ค่อยๆสงบลงไปซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าตรงนี้นี่เรียกว่าเรามีสติหรือมีปัญญาหรือมีสมาธินะคะพระอาจารย์ทั้งสองอย่างนะมีสติด้ว ย, แ ล, ววยแล้วมีปัญญารู้จักแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกต้องมีปัญญาด้วยถ้าไม่ถาม้ถามีสติอย่างเดียวบางทีมันก็เพียงแต่ทาให้ใจเราลืมเรื่องนั้นไปชั่วคราว แต่พอเราไปคิดถึงมันอีกมันก็จะทําให้เราทุกข์อีกแต่ถ้ามีปัญญาแล้วพอเราปล่อยมันได้แล้วก้าวหน้าเราคิดถึงมันเราก็ไม่ทุกข์กับมันนี่กทุกครั้งที่มีเรื่องก็จะงี้ครับอาจารย์ก็คือจะใช้เวลาสักขณะหนึ่งคือธรรมะที่เราเคยฟังมาจะผุดขึ้นมาสอนตเองทุกอย่างจนกระทั่งสงบลงไปตรงนั้นนะคะก็ถูกต้องทุกอย่าใช่ไหะใช่แต่ถ้าอยากจะให้พัฒนาก้าวหนะ้าต้องหาเวลาเพิ่มการปฏิบัติให้มันมากขึ้น โดยเฉพาะให้มันปฏิบัติได้อย่างทั้งวันทั้งคืนอย่างเช่นวันพระเนี่พระพุทธเ จ, ะจะ้าบอกว่าให้ลองเลิกทํางานไป อ, อยู่วัดสักวันหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งคืนเพื่อจะได้มีการปฏิบัติสติ อ, อย่างต่อเ น, นื่องนั่งสมาธิได้มากได้บ่อยอจะได้มีกําลังมากขึ้นพอนั่งสมาธิพระอาจารย์โอจิตออกลงตรงรังมากแล้คะ่ะก็เลยใช้การสวดมนต์แทนแล้วก็เจอเพิ่มตอนก่อนนอนก็จะใช้การสวดอิติปิโสร้อยแปดจบ ก่อนนอนแล้วก็นั่งสมาธิต่อประมาณสิบนาทีอาก็นแทนการนั่งสมาธิได้ถ้านั่งมากกว่านั้นได้ก็นั่งอย่าไปนั่งแค่สิบนาทีต่อไปอย่าไปกําหนดเวลากําหนดสติถ้าสติดีมันก็จะนั่งได้นานอถ้อาต้องการนั่งมานานให้มันนิ่งมากๆให้เราควบคุมจิตใจเราให้นิ่งได้เพราะต่อไปเวลามันมันพยศเราจะได้หยุดมันได้ เพยายามปฏิบัติเพิ่มเวลาการปฏิบัติให้มากขึ้นถ้าอยากจะให้มันพัฒนาให้มันก้าวหน้าถ้าปฏิบัติเท่าเดิมเราก็จะได้เท่าเดิม <Okay. S 1> ถ้าปฏิบัติน้อยลงเราก็จะถอยหลังถ้าเราอยากจะก้าวหน้าเราก็ต้องปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปค่ะขอบคุณค <Okay. S 2> ่ะวันนี้ทางนู้ไม่มีคําถามเลยอืม่ต มันไม่ใช่ของเดยมใ <laughs> ชาค่จ้วมาคำถามคุณหรือมาถามเรามตอบไม่ได้นะ ห, นหลวงพ่อเคยอธิบายว่าออจิตที่มันมีความรู้สึกเหมือนคือเขาเขาไม่รู้สึกตัวแล้วอะค่ะแต่เขาเขารู้ว่ามันเหมือนลอยอยู่ใน อวกาศออันนั้นเรียกว่าจิตรวมไหมคะอ่าจิตรวมอยู่กับความว่างอยู่ความสงบเป็นอั ป, ปนาแล้วใช่ไหมคะเราไม่มันไม่มีป้ายบอกเรา <c oughs> ไม่ต้องไปสนใจเอขอให้มันสงบให้มันมีความสุขมันอุเบกขาก็ใช้ได้ออขอบคุณค่ะเวลาสงบายอุเบกขาไม่ไม่โผล่ขึ้นมาหรอกไม่เหมือนเกเรรสที่เราขับโอ้ตอนนี้วิ่งแปดสิบแล้วเก้าสิบแล้วแต่เวลานั่งสมาธิมันไม่มีป้ายบอกนี้ชัน ขั้นที่หนึ่งฌานขั้นที่สองมันจะรู้ต่อเมื่อเรามาวิเคราะห์อ่านตําราดูเปรียบเทียบดูแล้วอย่างนี้ถ้าจะให้เขาก้าวหน้าต่อไปก็ก็ทําทให<ด>บบ้บ่อยๆทําให้มากๆทําให้ชํานาญเหมือนกับขับรถนะตอนต้นขับรถบ่อยๆใหม่ๆก็ไม่กล้าขับขึ้นบนถนนใช่ไหมแต่พอขับขัดขับบ่อยๆมากขึ้นกล้าใจกล้าหารขึ้นก็จะสามารถขับขึ้นทางด่วนไปไหนมาไหนได้ ตอนต้นเราก็สมาธิเราก็เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ต้องทำให้มันเข้าได้ทุกครั้งที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นถึง จ, จไะ<า>งไปทางปัญญาได้อขอบคุณค่ะคำถามจากคุณดิศยาค่ะเป็นคนชอบขับรถมากพอไม่ได้ออกไปเที่ยวเนียนานจะเริ่มทุก ต้องนั่งสมาธิเท่านั้นถึงจะมีความสุขได้แต่เวลาออกจากสมาธิความอยากก็ผุดมาอีกต้องพุโทโธดับมันต้องทำยังไงที่ไม่ให้ความอยากผุดมาอีกให้มันหายไปทาวอ้อยคะใช้ปัญญาไงสาหรัการการออกไปข้างนอกก็เป็นเหมือนการติดยาเสพติดอย่างหนึ่งออกแล้วออกไปแล้วมันก็ติดต้องออกไปเรื่อยๆเวลาไม่ได้ออกก็จะทุกข์ทรมานใจ ยังไงก็ต้องเลิกมันเท่านั้นต้องฝืนเหมือนทุกครั้งที่มันอยากออกก็บอกไม่ออกอยู่กับเข้าสมาธิไปถ้ามันทรมานก็เข้าสมาธิถ้ามันไม่ทรมานก็ไม่ต้องเข้าก็ได้ให้รู้ว่าปัญญาสอนเราว่าไปแล้วมันจะติดแล้วเวลาไม่ได้ไปมันจะทุกข์เนี่ยให้คิดอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะฝืนความอยากออกไปข้างนอกได้แต่ยังออกได้แต่ไม่ได้ออกด้วยความอยาก ออกด้วยความจําเป็นคนเรายังต้องมีความจาเป็นต้องไปซื้อข้าวซื้อของซื้อกับซื้ออาหารไปหาหมอหาอะไรแต่ไปด้วยเหตุผลไม่ได้ไปเพราะน้ำคานหงุดหงิดเจ้าอยู่บ้านออกไปเปิดหูเปิดตาหน่อยอะไรงี้ไม่ไปแบบนั้นแล้วต้องมีเหตุผลไปถ้าจะไปโดยไม่มีเหตุผลเพราะาอยู่บ้านต้องเหงาเศร้า อยากจะออกไปเปิดหูเปิดตาเพื่อคลายความเหงาความเศร้าอย่างนี้เป็นการเสพยาเสพติดอย่าทำํำคำถามต่อไปจากคุณภัชสารค่ะจิตใจฟุง้งซ่านอยากหนักคําบริการคําบริกา ร, รเอาไม่อยู่ควรปฏิบัติอย่างไรครับส่วนบนใดถ้าอาบริกา ร, รมไม่อยู่เก้าอทีพีเซอร้อยจบบวกอายุของเรา <c oughs> สวดร0อยจบแล้วก็บวกอายุของเราอีกอายุสามสิบเก้าอีกสามสิบจบนับรองได้หายฟุ้งซ่านเนี่ยจะสวดแบบนั่งก็ได้สวดแบบเดินก็ได้เดินไปสวดก็ได้เดินจงกรมไปสวดไปก็ได้นั่งสวดไปก็ได้แล้วแต่อันนี้ไม่สำคัญท่าถ้านั่งท่านยืนท่าเดินได้ทั้งนั้นเพราะที่เราทำเราทำที่ใจเป็นเราเราต้องการหยุดความฟุ้งซ่านให้มันมีงานทำ พอมันไม่มีงานทํามันก็คิดฟุ้งซ่านพอให้มันมีงานทําให้มันส่วนอิทิพิโสร้อยจบมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปคิดเรื่องฟุ้งซ่านขึ้นมาคทํ า, าต่อไปจากคุณนุคขาผู้หญิงในชาตินี้จะสามารถริพานได้ไหมคะโดยที่ไม่ได้เป็นพระค่ะได้มีเยอะแยะไปแม่ชีสมัยนี้อุบาสิกาเนี่ยในหุ่นขีเพิ่งวัฏจา น, นี้มีอุบาสิกาสองรูปคนหนึ่งเป็นแม่ชีชื่อว่าแม่ชีแก้ว อีกคนเป็นอุบาศิกาชื่อว่ากอเขาสวนหลวงลองไปเสิร์ชในกูเก l e ดูได้ mm hmm. คุณแม่ชีแก้วแล้วก็คุณอุบาศิกากอเขาสวนหลวงเ mm hmm. นี่ยก็จะมีเรื่องราวประวัติของท่านให้เราอ่านมีเทศคำสอนของท่านให้เราได้ศึกษาได้ mm hmm. ยังมียังมีอีกเยอะเนะี่ยเพียงแต่ที่รู้จักก็รู้จักแค่สองรูปนี้เท่านั้นแต่อาจารย์ที่สอนวิปัสสนาหลายรูปที่คนเขามีความเคารพนับถือเช่นอาจารย์นันจวนนี่ที่เคยได้ยินชื่อไหมหรือ อ, อาจารย์ที่สอนที่อะไรพุทธ่สมาคมหรือ ย, ยูว่าพุทธิอะไรพวกนี้เขาก็น่าจะมีคุณธรรมเนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ศึกษารายละเอียด ทงๆทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายเด็กหรือผู้ใหญ่ไปนิพพานได้ถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้คะคำถามต่อไปจากคุณหญิงค่ะน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขออนุญาตถามพระอาจารย์ค่ะว่าจะสร้างความสมดุลอย่างไรในเรื่องความเพียรและความเครียดเจ้าค่ะเพราะบางครั้งรู้สึกตั้งใจนั่งสมาธิมากหรือเร่งปฏิบัต จนรู้สึกถึงความเกรงและเครียดเจ้าค่ะอ๋อถ้าถ้าเครียดเพราะว่าความความเพียรย่างก็ลดความเพียรลงคือ อ, อยากไปที่มันเครียดไม่ได้เครียดเพราะความเพียรเนามันเครียดเพราะความอยาก ยังต้องไปลดความอยากความเพลยนไม่ต้องลดทำความเพลยนไปแต่อย่าไปอยากให้มันสำเร็จอย่าไปอยากให้มันได้ผลทำไปตามหน้าที่เหมือนกินข้าวถึงเวลากินก็กินไปอย่าไปอยากให้มันอิ่มทันทีกินสองคำยังไม่อิ่มมันก็เครียดได้ก็กินไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอิ่มอย่าไปอยากให้มันสงบเร็วๆได้ผลเร็วๆให้ใช้คติ คำสอนที่เขาพูดว่ากรุงรมไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างภายในวันเดียวกรุงโรงกว่าจะสร้างเสร็จก็ใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีกรุงศรีกรุงสุโขทัยก็เหมือนกันไม่ได้สร้างในวันเดียวมรรคผลนิพพานสมาธิก็ไม่ได้สร้างในวันเดียวก็ต้องสร้างไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่เชียดถ้าไปหวังว่าวันนี้นั่งแล้วต้องให้สงบต้องได้ พอมันไม่สงบมันก็เครียดขึ้นมาฉะนั้นให้ลดความอยากลงแต่ความเพียรไม่ต้องลดเมื่อกี้พูดผิดความเพียรต้องพยายามเพียรจนกว่าหมดกําลังที่จะเพียรเพียนไม่ไหวก็ไปนอนทักผ่อนหนับนอนได้แต่ตั้งยังมีกําลังเพียรได้ก็เพียรไปแต่อย่าไปอยากนึ่งหนึ่งยินดีตามมีตามเกิดยินดีตามเหตุคือการปฏิบัติของเราเราปฏิบัติอย่างไรผลจะเกิดไม่เกิดก็อยู่ที่การปฏิบัติของเรา อย่าไปให้ผลเกิดจากความอยากของเรามันจะไม่เกิดและจะทำให้เราเครียดคาถามต่อไปจากคุณนก ค, ค่ะจาเป็นต้องมีฌานระดับไหนคะถึงไปนิพพานได้ก็อย่างน้อยต้องมีฌานสี่นะรูปอรูปฌานสี่เพราะเราต้องการอุเบกขาตัวที่จะทำให้ใจเราเฉยกับอารมณ์ต่างๆได้เฉยกับความรักความชังความกลัวความหลงได้ พราะถ้ามีรักชังแล้วเดี๋ยวมันจะมีความอยากเกิดขึ้นรักอะไรก็อยากได้ชังอะไรก็อยากจะให้หายไปแต่ถ้าไม่มีรักชังรักก็เฉยชังก็เฉยก็อยู่เฉยๆได้นะงับตัญหาความอยากได้ก็ไปนิพพานได้คำถามต่อไปจากคุณดอกยญ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เรียนถามเวลาไปทําบุญที่วัดแล้วกลับก่อนเนื่องจากไม่รับ พรมีภารกิจอย่างอื่นอย่างนี้เราจะได้บุญไหมคะอ๋อได้ไม่ต้องไปวัดก็ได้ทําบุญที่บ้านก็ได้เนีย่ยโอนใส่โอนบัญชีเข้าวันเลยก็ได้ไม่ต้องรอให้พระสวดญถาสัพพีเพราะบุญไ ม, ไม่ได้เกิดจากการสวดของพระบุญเกิดจากการเสียสละของเราเราเสียสละเงินไปปั๊บใจเราเกิดความสุขขึ้นมาเบา อ, อกเบาใจเอหมดห่วงเรื่องเงินก้อนนี้ไป ไปทำประโยชน์ทำให้คนอื่นเขามีความสุขเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมานั่นแหละคือบุญนะไม่ใช่บุญอยู่ที่พระสวดญาถาสัพพีนไม่มีหรอไม่ใช่บุญนะงั้นไม่ต้องมีพระมาสวดให้อานุโมทนาให้พรแต่อย่างไดแต่มันเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีถ้าไม่ให้พรก็จะหาว่าพระองค์นี้แปลกอะไรไม่อยากให้เขาว่าแปลกก็เลยต้องให้พรตามธรรมเนียมเท่านั้นเอง คำถามต่อไปจากคุณสุรสักค่ะหลวงพ่อครับกระผมเคยไปปฏิบัติธรรมตั้งใจสามวันแรกผมเหมือนละเมอแล้วก็ตะโกนเสียงดังนั่นป่าชา้าด้วยความกลัวใจอยู่ตาตุ่มขอแนวทางปฏิบัติตอเอาชนะความกลัวใจอ่อนครับหลวงพ่อตอนนั้นก็ต้องรีบบุญกรรมพุทธโธแล้วพระพุทธเจ้าบอกถ้าอยู่ที่ไหนที่เกิดความหวาดกลัวให้นึกถึงพระพุทธเจ้า อันนึกถึงว่าัตถเจ้ายังไม่หายก็นึกถึงพระธรรมคําสอนนึกถึงพระธรมรมคําสอนยังไม่หายก็ในึกถึงพระสงฆ์อริยะสงสารของวัตเจา้าสวัสดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปเดี๋ยวเดียวความกลัวก็จะหายไปคําถามที่สองค่ะหลวงพ่อครับทําไมคนเราถึงมีชะตากรรมต่างกันทําให้เห็นความแตกต่างมากมายการเกิดตายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็กรรมธรรมมาไม่เหมือนกันไง กรรมีทั้งบุญมีทั้งบาปมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วมันจึงส่งผลให้เรามีความแตกต่างกันคนที่ทำกรรมดีก็มักจะมีวาสนามีบา ร, รมีคนที่ทำความชั่วมักจะมักเอาภาพวาสนาอาภาพวาบารามีคทถามต่อไปจากคุณนุกค่ะการที่เราค้นพบว่าเราได้เกิดดวงตาเห็นธรรมโดยมีแค่ตาเนื้อ แต่เข้าใจและเชื่อว่ามีโลกทิพย์เข้าใจเกิดดับละทุกอย่างได้คิดว่าเจ้ากรรมนาเวนคือครูที่มาสอนทุกให้เราแบบนี้ใช่ไหมคะย่งเหล่านี้เป็นเพียงความคิดเนี่ยยังไม่ได้เป็นความจริงจะเห็นโลกทิพย์ได้ต้องเข้าสมาธิเข้าไปในรูปฌปานก็ไปในอุเบกขาก่อนแล้วถึงจะเริ่มเห็นโลกทิพย์ว่าเป็นยางไงต่างจากโลกของร่างกาย พอตอนเราเข้าสมาธิเราถอนใจออกจากร่างกายช่วงขา่าวพอถอนออกมันก็กลับเข้าไปอยู่ในโลกทิพย์เนี่ยคํถามต่อไปจากคุณกัมพลค่ะเวลาเราทําบุญช่วยเหลือเพื่อนกับเพื่อนต่างชาติ<ม>ต่างศาสนาแบบนี้เราจะได้บุญไหมครับได้ทํากับสัตว์ก็ยังได้เ่ยว่าแต่คนต่างชาติทํากับใครก็ได้ที่ทําให้เขามีความสุขหรือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน มันก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาบุญเกิดความสุขใจคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกราบนมัสการถามหลวงปู่ครับถ้าเอาเศษไม้ที่เคยใช้แล้วนำมาทำแค่ให้พระแถวบ้านที่ออกฤกษกนั่งภาวนาหรือนอนจะเป็นบาปไหมครับหรือควรจะนำไม้ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้มาทำครับ ไม้ชนิดไหนก็ได้เก่าก็ได้ใหม่ก็ได้ไม่เป็นบาปเป็นบุญทั้งนั้นขอให้มันใช้ได้แล้วะกันอย่าให้มันท่านนอนแล้วเตียงล้มลงมาท่านนอนกระแทกพื้นก็แล้วกันไม้เก่าแต่ขอให้มันแข็งแรงใช้งานได้นะแต่อย่าเอาไม้เก่าที่ผุพังแล้วมาใช้ท่านนอนไปครึ่งคืนเดี๋ยวมันล้มพุบละทำให้ท่านฝัญาย คำถามที่สองครับถ้าเปิดยู u b e สวดเจริญพุทธมนตพร้อมกับพระสงฆ์วัดป่าบ้านป่าจะได้ไหมครับเพราะเป็นบทสวดของพระได้ไม่ต้องเปิดก็ได้ถ้าเราจำได้ครับไม่ต้องเปิดนะถ้าเกิดเดี๋ยวไปอยู่ที่ไม่มี y o u t u ู e มันก็จะไม่ได้สวดนะอัาสวดแบบที่เราสวดเองได้แต่ไม่ไม่ถ้าเราสวดไม่เป็นเราก็สวดตามพระไปก่อนแล้วพอเราสวดแล้วเราก็มาท่องมาจาไว้ แล้วต่อไปเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถสวดได้คำถามจากคุณจริงขอบค่ะกราบนามัสการครับจิตยังมีจุดมีที่เข้าที่ออกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างไรจึงจะหมดครับจิตมันไม่มีที่เข้าที่ออกแล้วที่เข้าที่ออกคือความสงบนะเอราะนั้นไม่ทราบว่าคาถามนีม้ถามอะไรเขาไม่รู้ไง ปฏิบัติเพื่อให้กิเลสมันหมดนถ้าจะปฏิบัติเนี่ปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสตัญหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอหมดแล้วทีนี้ก็จิตก็บริสุทธิ์จิตก็เป็นนิพพานจิตก็เป็นบรมสุขก็ไม่ต้องทําอะไรอีกต่อไปจิตในทางาศาสนาก็สิ้นสุดลงเรียกว่าอุตสิตังบรมจารย์หรือยัง จิตในพรมอาจารย์ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาตัวที่พาให้จิตเวียนว่าตายเกิดได้ถูกทำลายไปจนหมดสิ้นจากจิตจากใจแล้วจิตก็หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดเอาแค่นี้นะหมดพระเด็นหมดแล้วใช่ไหมก็พอดีกับเวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ